คงรู้จักนะการประมูลเดี๋ยวนี้มีประมูลของหลายอย่างนะรถยนต์บ้างป้ายทะเบียนบ้างหรือบางทีก็นาฬิกาหรือว่าภาพวาดบางทีแล้วก็เอาของที่ราคาข้างบนไม่แพงนี่มาประมูลอาจจะเพื่อสนุกสนุกหรืออะไรก็แล้วแต่าการประมูลเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ย ใครที่ให้ราคาสูงที่สุดก็ได้ของนั้นไปและแน่นอนนะใครที่ได้คนนั้นก็จ่ายซึ่งก็คือคนที่ให้ราคาสูงสุดนั่นเองแล้วส่วนใหญ่เนี่ยราคาที่ให้เนี่ยราคาสูงสุดเนี่ยมันก็มักจะต่ำกว่าราคาของ สิ่งที่นํามาประมูลซึ่งนี้มันก็เป็นเรื่องของการคาดคะเนยอย่างเช่นคาดคะเนว่าของชิ้นราคาร้อยหนึ่งเนี่ยตัวเลขประมูลสูงสุดก็อาจจะประมาณสักแปดสิบเากว่าราคาที่ประเมินเพราะไม่งั้นจะประมูลไปทําไมนะขาา 90, ะของราคา90้าสิของราคาร้อยเนี่ยแต่ประมูล120เนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์ จะ ม, มีการประมูลแบบหนึ่งนะมีอาจารย์คนหนึ่งเนี่ยแขาเอาเอาเงินเอาแบงค์ร้อยบาทหรือแบงค์ร้อยดอลลาร์เนี่ยมาให้นักศึกษาในชั้นเรียนในประมูลแบงค์ร้อยบาทหรือแบงค์ร้อยเหรียญเนี่ยมันก็ชัดแล้วนะว่ามูลค่าออกมาคือหนึ่งร้อยนะไม่เหมือนรถยนต์ไม่เหมือนภาพวาดนี้หรือว่า ป้ายทะเบียนเนี่ยมันไม่มีราคาที่แน่ชัดมันเป็นเรื่องของการคาดคะเนการคาดการหรือว่าความชอบส่วนตัวแต่ทนาบัตรหนึ่งรเนี่ยหนึ่งร้อบาทหนึ่งร้อยดอลลาร์เนี่ยมันชัดอยู่แล้วนะมูลค่ามันเนี่ยแต่ว่าการประมูลของจางคนนี้นี่มันไม่เหมือนการประมูลทั่วไปนะ คือแน่นอนนะใครที่ให้ราคาสูงสุดเนี่ยก็ได้ธนบัตรร้อยดอลลาร์นั่นไปแต่คนจ่ายเนี่ยนะไม่ใช่คนให้ราคาสูงสุดนะคนจ่ายคือคนที่ให้ราคาสูงสุดอันดับสอง่าเป็นกติกาที่แปลกนะคนที่ได้ธนบัตรเนี่ยคือคนที่ได้ราคาสูงสุดให้ราคาสูงสุด แต่คนจ่ายเนี่ยคือคนที่ให้ราคาสูงสุดเป็นอันดับสองเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยน ะ, ะเกิดพฤติกรรมแปลกๆคือคนเนี่ยต่างก็จะพยายามให้ราคาสูงสุดหรือสูงกว่าคนอื่นๆ เชนกดหนึ่งให้ราคาห้าสิบถ้าเราอยากได้เราก็ให้ราคาห้าสิบห้าถ้ามันจบตรงนั้นเนี่ยไอคนที่ให้ราคาห้าสิบก็จ่ายไปคนที่ให้ราคาห้าสิบห้าก็ได้แบบฟรีๆเลย และประมูลแบบนี้นะทีแรกก็จะมีคนประมูลหลายคนนะสี่ห้าหกเจ็ดคนแต่ว่าประมูลไปประมูลไปมันจะเหลือแค่2คนและแต่ละคนนี่ก็จะพยายามให้ราคาสูงที่สุดหรือสูงกว่าคนอื่นสูงกว่าเพื่อนเนนายคอเนี่ยให้ราคา80สินายคอนี่ก็ต้องให้ 8ปสิบห้าถ้าในกอเนี่ยหยุดแค่นี้เนี่ยก็ต้องเป็นคนจ่ายในกอก็ต้องให้ราคาเก้าสิบในขอเนี่ยถ้าหยุดก็เป็นคนจ่ายนะแปดสิบห้าก็ต้องให้ราคาเก้าสิบห้าน้เนี่ยการให้ราคาจะสูงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเลยร้อยร้อยดอลลาร์ แล้วมันก็เห็นได้ชัด น, นะยิ่งให้ราคาสูงเท่าไหร่เนี่ยมันก็เท่ากับยิ่งเป็นการสร้างเงินไขให้ตัวเองเนี่ยจะต้องจ่ายเพิ่มขึ้นหรือจ่ายสูงขึ้นถ้าเกิดว่าตัวเองเนี่ยหยุดประมูลเพราะนั้นมันหยุดไม่ได้นะเพราะถ้าหยุดเนี่ยตัวเองก็จะเป็นอันดับสองเมื่อเป็นอันดับสองก็ต้องจ่ายแล้วก็เงินที่จ่ายเนี่ย ก็เป็นจำนวนเดียวกับที่ตัวเองเนี่ยเคยเสนอไปแล้วนะเช่นเสนอไปร้อยี่สิบแล้วเพื่อนอยู่คนหนึ่งเสนอหรือให้ราคาร2อยยสิห้าถ้าเลิกนะตัวเองก็ต้องจ่ายร2อยี่สิบไอ้ร2 0ยิเนี่ยที่ตัวเองให้เนี่ยเพื่อจะได้ไม่ต้องจ่ายนะเพราะว่าหวังว่ามันจะเป็นราคาสูงสุด แต่ถ้าตัวเองหยุดที่ตรงนั้นเนี่ยแล้วมีคนอื่นให้ราคาสูงกว่าตัวองต้องจ่ายเพรยิ่งให้ราคาสูงเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งเป็นการสร้างเงื่อนไขให้ตัวเองเนี่ยจะต้องจ่ายนะเป็นจานวนมากด้วยเงินก้อนนั้นมันก็เลยทำให้คนนี่เร่งพยายามประมูลให้ราคาสูงสุด ตอนแรกเนี่ยตอนที่เริ่มใหม่ๆเนี่ยอาจจะให้ราคาเพราะว่าหวังจะได้แบงค์ทนบัตรร้อยดอลลาร์ด้วยราคาที่ต่ำอ่าหนึ่งร้อยนะแต่ให้ราคาห้าสิบนก็ถือว่ากำไรแต่ไปๆมาๆเนี่ยนะที่ให้ราคากระสูงสูงเนี่ยก็เพื่อเชื่อว่าตัวเองได้ไม่ต้องจ่ายไม่ได้อยากไม่ได้อยากได้แบงค์ละ เพราะว่าถ้าเกิดให้ราคาถ้าตัวเลขมันสูงถึงร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบเนี่ยคนที่เล่นเนี่ยหรือคนที่ประมูลเนี่ยมันไม่ได้อยากได้แบงเพราะแบงแค่ร้อยบาทหรือร้อยดอลลาร์แต่ที่ยังเล่นอยู่ก็เพราะว่าเพื่อตัวเองอยู่ได้ไม่ต้องเสียไม่ต้องจ่ายเพราะถ้าจ่ายนี่โอ้มันจ่ายต้องร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบสิ่งที่เกิดขึ้นก็ว่ายิ่งอยากยิ่งไม่อยากเสียนะ สุดท้ายเนี่ยก็กลับเสียมากเพราะว่ากติกามันบอกว่าถ้าไม่อยากเสียคุณต้องให้ราคาสูงกว่าคนอื่นแต่ว่าถ้าราคาที่ให้เนี่ยมันเป็นอันดับสองเนี่ยตัวเองต้องจ่ายเลยแล้วผลก็ปรกว่าคนที่ไดใ้ให้ราคาสูงสุดนะธนบัตร100ดอลลาร์เนี่ยเขาให้ <c oughs> ราคาเท่าไหร่เ้าให้ราคา150 ส่วนอันดับสองนี่ให้ราคา145คนที่ให้150เนี่ยก็ได้แบงค์ธนบัตรไปแต่คนจ่ายคือคนที่เสนอหรือให้ราคา145ซึ่งมันแสนจะไม่คุ้มเลยนะจริงเนี่ยคนที่เล่นคนที่ประมลหรือเล่นกิจกรรมเนี่ยเขารู้ตั้งแต่ต้นแล้วละ ว, ว่า ถ้าคืนเล่นไปเรื่อยๆนี่จะต้องใจหนักแต่ว่าทีแรกเนี่ยไม่อยากจ่ายไงตอนที่ตัวเลขมันยังขึ้นห้าสิบหกสิบไม่อยากจ่ายถ้าไม่อยากจ่ายก็ต้องเล่นไปเรื่อยๆก็เลยต้องเล่นเพื่อจะได้ไม่ต้องจ่ายแต่สุดท้ายก็กลายเป็นว่าจ่ายแพงนะไม่อยากจ่ายห้าสิบนะแต่สุดท้ายต้องไปจ่ายร้อยสี่สิบห้า ไม่เรียกว่าไม่คุ้มเลยไอ้กิจกรรมเนี่ยนะมันก็สอนอะไรนะให้ข้อคิดอะไรดีๆกับนักศึกษามากเลยนะแล้วก็เป็นนักศึกษาระดับเนี่ยหมหาวิทยาลัยชั้นนำเลยนะฮาร์วาร์ดแต่จริงเนี่ยมันก็ให้แง่คิดกับพวกเราด้วยเหมือนกันนะนั่นคือว่าเนี่ยยิ่งไม่อยากเสียเนี่ย กลับต้องเสียมากถ้าว่ายอมเสียตั้งแต่แรกเนี่ยยอมแพ้ตอนที่ตัวเลขมันขึ้นห้าสิบหรู้แล้วว่าเนี่ยขึ้นไปต่อ น, นี่จ่ายหนักแนย่ยอมแพ้ตั้งแต่แรกถ้ายอมแพ้ตแต่แล้วก็จ่ายห้าสิบหแต่ว่าส่วนใหญ่ไม่ยอมแพ้ก็ต้องเล่นให้มันหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นแต่สุดท้ายในยสุดก็ต้องยอมนะ เพรคืนไม่ยอมเนี่ยยังประมูลต่อไปเรื่อยๆนี่บางทีตัวเรล่มันขึ้นเป็นพันเลยนะแล้วมันไม่คุ้มเลยนะจ่ายจ่ายเป็นพันเนี่ยเราไม่ได้อะไรเลยแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่ยอมเลิกตั้งแต่แรกยังเล่นไปเรื่อยๆเพราะกลัวแพ้หรือไม่อยากจ่ายแต่สุดท้ายก็ต้องจ่ายหนักมาคิดดูนะ คนเราเนี่ยก็ทำหลายสิ่งหลายอย่างประมาณนี้แหละแม้จะไม่ใช่เป็นการประมูลนะอย่างการพานันเนี่ยนะการพานันเนี่ยบางคนเสียร้อยนะแทนที่จะเลิกนะไม่ยอมเลิกนะเพราะว่าเสียดายเงินก็เล่นหนักขึ้นเพื่อหวังว่าจะได้เงินร้อยกลับคืนเสียร้อยก็เลยเล่นเป็นพัน เพื่อจะได้ร้อยกับคืนถ้าชนะแบบบกว่าแบบกว่ากับเสียนะหนักนะอยากต้องการได้ร้อยคืนมาแต่กับเสียเป็นพันพอเสียพันเสียดา ย, ยังทำใจไม่ได้อยากได้คืนก็เลยเล่นเป็นหมื่นเพร่อหวังจะได้นะหนึ่งพันที่เสียคืน ก็กเผยว่าแพ้จ่ายเป็นหมื่นคราวนี้ลงเป็นแสนเลยเพื่อจะเอาเงินหมื่นคืนแต่สุดท้ายก็แพ้พอแพ้นี่เอาเงินทุ่มเป็นล้านเลยนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนจนนมากนะที่ไปหลงเล่นการพ น, นันที่แรกมันอยากได้นะ แต่พอเสียเนี่ยที่เล่นเนี่ยเพื่อจะได้เอาที่เสียกลับคืนนะไอ้ความที่จะได้เพิ่มนี่มันอาจจะลดลงแล้วแต่ว่าอยากจะเอาที่เสียนี่กลับคืนอาจจะเป็นเพราะเรื่องอัตตาก็ได้นะต้องแพ้ไม่ได้แพ้ไม่ได้สึกเสียน้าแต่ส่วนหนึ่งก็เกิดความเสียดายทำใจไม่ได้ เรื่องแบบนี้เนี่ยมันก็เข้ากับที่คนเขาพูดว่าเนี่ยเสียน้อยเสียยากนะเสียมากเสียง่ายไอย้ตอนที่จะเสียน้อยๆเนี่ยไม่ยอมเสียแต่สุดท้ายก็กลายเป็นว่าเสียมากแนละ้วคนที่เล่นหุ้นกันเหมือนนะจะว่าไปหุ้นมันก็เหมือนการพนันอย่างหนึง่งบางคนอาจจะไม่ได้คิดจะเล่นหุ้นมันก็เล่นการพนันแต่ว่าพอ หุ้นที่ตัวงซื้อเนี่ยซื้อเป็นจำนวนเงินเยอะๆเนี่ยราคามันตกนะสัญญาณมันก็ไม่ค่อยดีนะเพราะหุ้นตัวนั้นก็ตกเหมือนกันนะซื้อมาสิบมันเหลือแค่บาทเดียวจริงๆถ้าขายตอนนั้นเนี่ยมันก็ยังได้นะอย่างน้อยก็หุ้นตัวนั้นก็ได้หนึ่งบาทกลับคืน แต่หลายคนเสียดายนะลงทุนไป10ได้มา1เสียไป9้าเนี่ยมันทำใจไม่ได้ก็เลยไม่ยอมขายยังอุ้มมาไว้เพราะหวังว่าราคามจะกระเตื้องขึ้นนะจาก1เป็น2เป็นสจะได้ขาดทุนน้อยลงแต่ยิ่งอุ้มเนี่ยปรากว่ายิ่งเสียนะจาก1บาทกลายเป็นเหลือ10สตังค์นะ ขาดทุนหนักเข้าไปใหญ่เลยอันนี้ก็เพราะาไม่ยอมนะไม่ยอมตัดใจเนี่ยเสียตั้งแต่แรกก็เลยเสียหนักขึ้นแต่อันนี้มันก็อาจจะต่างจากการพนันนะเพระการพนันเนี่ยมันไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่ยอมรับสิงที่เสียไม่ได้แต่มันเอาเงินมากกว่าที่เสียไปลงมาทุ่มเข้าไป กลัวเสียไม่อยากเสียสิก็ลงร้อยไม่อยากเสียร้อยก็ลงพันไม่อยากเสียพันก็ลงหมื่นสุดท้ายก็หมดเนื้อหมดตัวแต่ถึงแม้ไม่เล่นการพนันไม่เล่นทุนนะอาการแก้ปัญหาคนเราวไหลครั้งก็เป็นแบบนี้แหละคือพยายามหนีทุกพยายามหนีสิ่งที่ไม่ประสงค์ไม่ว่าเจริ ว, วัดทุกหรือว่าการสูญเสียพยายามหนีพยายามเลี่ยงแต่ว่ายิ่งหนียิ่งเลี่ยง ก็กับเจอทุกข์หนักขึ้นอย่างคนที่เครียดเนี่ยคนที่กรธกุ้มใจเนี่ยนะรู้สึกทนความเครียดไม่ไหวก็ไปพึ่งเหล้านะแต่ว่าพอกินเหลาเ้าไปแล้วเนี่ยมาจจะหายเครียดหายทุกข์ชั่วคราวแต่ว่ามันทำให้เกิดความเครียดเพิ่มขึ้นเพราะว่าพอติดเหล้ามากขึ้นโอ๊เกิดปัญหาตามมามากมาย หมดเงินไปกับเหล้าหรือว่าทํางานทําการไม่ได้มีเรื่องทะเลาะเบาแบ่งกับผู้อื่นสร้างปัญหาไม่น่าเชื่อถือทําให้ตัวเองไม่น่าเชื่อถือในสายตาของผู้อื่นรวมทั้งโรคภัยไข้เจ็บแต่ถึงแม้โรคภัยไข้เจ็บมันจะไม่แสดงตัวนะแต่ว่าไอ้ปัญหาเหล่านี้ก็ทําให้เครียดมากขึ้น ที่แรกินเหล้าเนี่ยเพื่อดับเครียดดับกลุ่มแต่ยิ่งกินเนี่ยมันก็ยิ่งเครียดยิ่งกลุ้มมากขึ้นเพราะปัญหามันตามมาจากการกินเหล้าหลายคนเลิกเหล้าไม่ได้เพราะว่านะมันเครียดจากการกินเหล้านั่นแหละมันความเครียดเพิ่มขึ้นจากการกินเหล้าทั้งที่กินเหล้าเพื่อดับเครียดแต่กินไปกินไปความเครียดมันหนักขึ้นหนักขึ้น จนทำให้ต้องกินเหล้าหนักขึ้นสุดท้ายก็ติดยิ่งการแก้ทุกของคนของคนส่วนใหญ่มันก็เป็นลักษณะเนี้ยนะคือยิ่งต้องการแก้ทุกข์หรือทำให้ทุกข์น้อยลงแต่ว่าทุกข์มันก็กลับเพิ่มขึ้นแม้กระทัง่งแม่จะไม่กินเหล้าเลยนะแต่ว่าบางคนรู้สึกว่าทุกข์เนี่ยเพราะว่ามีเงินน้อย เรพยายามที่จะทำมาหาเงินให้มากขึ้นแต่วิธีการทำมาหาเงินเนี่ยมันทำให้เกิดความทุกข์มากขึ้นเพอบางทีก็ทุจริตหรือถึงไม่ทุจริตก็ไปขัดแข้งขัดขาคนและมีนํำซ้ำเนี่ยแม้จะได้ใช้วิธีที่สุดจริตแต่พอได้มาแล้วสมมติประสบความสาเร็จนะถ้าไม่ประสบความสาเร็จยิ่งแย่กขา้าใหญ่ แต่ถึงแม้ประสบความสำเได้เงินได้ทองมาก็ต้องทุกข์กับการรักษาเกิดความโลภเกิดความอยากได้มากขึ้นเพราะว่ายิ่งได้ความคาดหวังจากชีวิตมันก็สูงขึ้นแต่ก่อนกินก๋วยเตี๋ยวจามละ50กินข้าวชามละ 7, 80ก็ก็ก็ได้แล้วแต่ตอนหลังนั่ต้องกินราคาเป็นร้อยเป็นพัน ต้องมีอะไรต่างๆมากมายเพราะความคาดหวังมันเพิ่มขึ้นตามจํานวนเงินงที่ได้มา ก, ก็เป็นความทุกข์แบบหนึ่งที่ต้องไปดิน้นรนไปแสวงหาไปไปมาคล้ายกับการคันนะเวลาคันเนี่ยเราเกาเนี่ยเวลาเกาเนี่ยพราะคันนี่นะมันก็หายคันสักสักพักนะแต่แล้วก็คันมันก็กลับคันใหม่ที่ทําให้เราต้องเกาหนักขึ้น การเกาเนี่ยที่แรกเนี่ยมันช่วยทําให้หายคันแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งมันทำให้เกิดอาการคันมากขึ้นที่ต้องเกาหนักขึ้นบางทีเกาเนี่ยจนกระทั่งหนังถลอกเลยคือยิ่งเกาเนี่ยมันก็ยิ่งทุกข์แม้ว่าใหม่ๆดูเหมือนว่ามันจะช่วยทําให้หายทุกข์หายคันโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าคันเพราะว่า มันมีโดนแมลงบางกัดแบนแรงบางชนิดกัดเนี่ยเช่นหมัดเนี่ยโหเมื่อเราหมัดกัดเนี่ยมันคันมากเลยนะแล้วเกาเนี่ยมันมีความสุขมากเลยนะเพราะมันหายคันแต่สุดท้ายเนี่ยมันต้องเกาอีกเกาอีกเกาอีกมันที่พระเจ้าก็เปี่ยน ม, มาคนที่เป็นโรคเรือน น, นะะคนที่เป็นโรคเรือนเนี่ยก็มีความสุขกับการเกาแต่ว่ายิ่งเกาเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้ต้องเกาหนักขึ้นเพราะว่าทีแรกมันหายคัน แต่สุดท้ามันคันหนักขึ้นาการมาสุขเนี่ยการมาสุขมันมีลักษณะเนี่ยมันเป็นความสุขที่เจอไปด้วยโทษมันเจอไปด้วยโทษมันให้สุขชั่วคราวแต่ว่าทําให้เกิดทุกข์ยาวนานแต่ถึงเมื่อเราจะตัดเรื่องการมาสุขนะออกไปก่อนนะสำหรับคนที่มีความทุกข์เนี่ยไอ้วิธีการแก้ทุกข์ของคนส่วนใหญ่เนี่ย มันกลับสร้างความทุกข์ให้หนักขึ้นโดยพอเวลาสูญเสียเนี่ยคนเราเนี่ยเวลาสูญเสียเนี่ยหรือมีอ น, น้รโน้ตต้องสูญเสียอย่างเช่นการประมูลอย่างที่ว่าเนี่ยคนที่เล่นประมูลและพอมันถึงจุดเนี้กลัวจะเสียเงินก็ เ, เลยต้องเล่นให้มันหนักขึ้นหนักขึ้นคนเราเนี่ยเท่าว่า ทำใจยอมรับความสูญเสียได้นะเออยอมจ่ายก็แล้วกันขณะที่มันยังแค่ห้าสิบหกสิบแต่ถ้าไม่ยอมจ่ายนะจะสู้ต่อเนี่ยสุดท้ายก็ก่ายจ่ายเพิ่มเป็นสองสามเท่าแต่ก็เป็นธรรมชาติคนเรานะคนเรานี่มันไม่ค่อยอยากจะยอมจ่ายไม่ค่อยอยากจะยอมสูญเสียเท่าไหร่ระหว่างเสียกับได้เนี่ยนะ เสียเนี่ยมันมีอิทธิพลต่อจิตใจคนเรามากกว่าเช่นระหว่างเสียร้อยเนี่ยกับได้ร้อยเนี่ยเสียร้อ ย, ยทำให้ทุก10แต่ได้ร้อยอาจจะทําทให้สุขแค่ห้าเวลาเล่นการพนันหรือเล่นความเสี่ยงเนี่ยถ้าไว้ต้องเสียร้อยกับได้ร้อยเนี่ยคนไม่ค่อยอยากเล่นนะถ้าเกิดว่าได้เสียมันห้าสิบห้าสิบแต่ถ้าเสียแล้อย <c oughs> แต่ถ้าเสียร้อยแล้วได้ได้มีแต่ถ้าเสียเสียร้อยแต่ได้ห้าได้สองร้อยเนี่ยคนถึงจะกล้าเล่นนะถ้าเสียร้อยแต่ถ้าได้เนี่ยได้สองร้อยเนี่ยเออมันค่อยน่าเล่นหน่อยเพราะว่าได้สองร้อยนี่มันคุ้มกับการที่เสี่ยงกับการเสียร้อยแต่ถ้าได้ร้อยเนี่ยและเสี่ยงเสียร้อยนี่คนไม่ค่อยอยากจะเล่นเท่าไหร่เพราะคนเรามีความรูม้สึกกับการเสียนี่ รุนแรงกว่าการได้ถ้าเป็นเพราะคนเราเนี่ยอ่อนไหวต่อหรือหวาดกลัวการเสียเนี่ยเราจะชอบมองลบมองเห็นแต่หรือใจมันก็ปักใจอยู่การเสียเวลาเสียอะไรเนี่ยใจยมันจะปักอยู่ตรงนั้นแหละส่วนได้นี่ไม่ค่อยสนใจใครใคร เบี้ยเงินเราใครโกงเงินเราเราจะจำได้แม่นกว่าคนที่ให้เงินเราใครให้เงินเราเราอาจจะจำไม่ค่อยได้แต่ใครที่โกงเงินเราขโมยเงินเ ร, เราจำได้แม่นเลยนูเราเนี่ยมันมีจุดอ่อนตรงนี้แหละนะคืออ่อนไหวนะ้วต่อการเสียแล้วเนี่ยพอเสียเนี่ยก็จะทุกข์มาก แล้ดัง้จึงพยายามทำทุกอย่างเพื่อจะไม่เสียจตกการพยายามที่จะไม่ให้เสียในหลายครั้งมันทำให้ต้องเสียหนักขึ้นอย่างตัวอย่างที่เล่ามาแต่ถ้าคนเราเนี่ยบางถ้าเกิดว่ารู้จักตัดใจนะเออถ้าเสียแล้วก็ตัดใจถ้าเสียแล้วก็ตัดใจเริ่มต้นใหม่มันก็ช่วยทำให้เราเนี่ยไม่ไปพาตัวเองทรมอยในความทุกข์หรือสร้างทุกข์ให้ใับตัวเองหนักขึ้น ในการที่ควรเราจะตัดใจนะเวลาเสียเนี่ยนะมันต้องอาศัยทั้งสติและปัญญานะคือเห็นว่าเนี่ยถ้าทำต่อไปนี่จะเสียหนักขึ้นอันนี้เป็นเรื่องของปัญญาแต่ใ จ, ม, ม, ม, นะจมันยังไม่ยอมนะใจมันยังไม่ยอมนันยังมีความหวังว่ามีโอกาสจะได้อันนี้ต้องใช้สติแล้วนะสติมาเตือนนะว่า ให้รู้จักหักห้ามใจบ้างแล้วที่จริงเนี่ยถ้าว่าเรามองว่าเนี่ยถึงแม้เราจะเสียบางอย่างแต่ว่าเราก็ยังมีอีกหลายอย่างนะอันนี้มาช่วยทําให้เราเนี่ยตัดใจได้ง่ายขึ้นอย่างมีบางคนเนี่ยเยขาเสียถูกโกงไปหกสิบล้านนะิงแล้วก็เสียใจแต่ผ่านไปไม่กี่วันนะก็ยิ้มได้ พเพื่อนก็ถามว่ายิ้มได้เพราะอะไรเกาบอกว่าก็มันนึกได้ว่านะทุกวันนี้ก็ยังมีชีวิตที่สุขสบายบ้านก็ยังหลังใหญ่อยู่สบายมีกินมีใช้อุดมสมบูรณ์ชีวิตก็ไม่ได้แย่ลงกว่าเดิมเลยแล้วก็เลยไม่ทุกข์กับการสูญเสียเงิน คือเขามองเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไปจดจ่อกับสิ่งที่เสียจะมองว่าไปจดจ่ออยู่กับสิ่งที่มีสิ่งที่ได้มาโอ้ฉันมีต้องเยอะแยะเลยไอ้ที่เสียไปนี่น้อยกว่าสิ่งที่มีซะอีกแต่คนเราเนี่ยทั้งที่เราเสียไปห้าบาทสิบบาทนี่แต่เรากลับทุกข์ทั้งที่เรามีเป็นร้อยเป็นหมื่นในกระเป๋าบางคนเสียพันเสียหมื่นนะแต่ว่าทุกข์เพราะว่า ไม่ได้ใส่ใจหรือมองข้ามความจริงไปว่าเนี่ยมีเงินอยู่ในกระเป๋าในบัญชีธนาคารเป็นแสนถ้าคนเราถ้ารู้จักว่ามองสิ่งที่มีบ้างมันก็ทำให้เรานะตัดใจสิ่งที่เสียไปได้ตัดใจทั้งในแง่ที่ว่าไม่มากุ้มหมวกุ้มใจกับมันแล้วก็ไม่ไปคิดที่จะทำอะไรเพื่อจะทำให้ สิ่งที่เสียไปกับคืนมาทั้งๆ ท, ที่มีโอกาสที่จะเสียหนักขึ้นกว่าเดิมแล้วถ้าคนเราได้ตะหนักนะว่ า, าจริงๆแล้วเนี่ยที่เราเสียไปเนี่ยนะแม้จะเสียเยอะนะแต่สุดท้ายเราก็ยังกําไรนะเพราะว่าให้เราเกิดมาเนี่ยมันเกิดมาก็ตัวเปล่าเสื้อผ้าก็ยังไม่มีด้วยซ้ำแต่ที่เรามีทรัพย์สินมากมายทุกวันนี้เนี่ยะ ทั้งหมดที่มีนะคือกำไรแม่บางอย่างจะหายไปสูญไปก็ยังกำไรอยู่มันเดินแะแม้ว่าจะกาไรน้อยลงแต่ถ้าเราไม่มองสิ่งที่เสียมากเกินไปแต่มาจดจ่อกับสิ่งที่เรามีมันก็ทำให้ทุกน้อยลงยิ่งถ้าเกิดว่าฝึกจิตจนกระทั่งรู้จักปล่อยวางได้ว่ามันนม่อะไรจะเป็นของเราเลยไม่มีอะไรจะเป็นของเราทั้งหมดที่สุดท้ายก็ต้องสูญไป ไม่สูญวันนี้ไม่เสียวันนี้ก็เสียวันหน้าวันที่เราตายหมดลมก็ไม่มีอะไรเหลือต้องสูญเสียไปหมดแมก้กทั่งลมหายใจทุกอย่างที่มีก็คืนร่างกายคืนสู่ธรรมชาติทรัพย์สินก็คืนหรือมอบให้กับลูกหลานหรือแผ่นดินเมื่อท่าเราเลือกแบบนี้นะมันก็ตระหนักว่ามันไม่ีอะไรจะเป็นของเรามันอยู่กับเราเพียงแค่ชั่วคราว เพราะนั้นจะเสียจะเสียใจไปทำไมนะถ้าเรารู้จักนะปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่มีอันนี้เรามีเป็นนะพอมีเป็นเนี่ยถึงแม้เสียไปก็ไม่ทุกแต่ถ้ามีไม่เป็นเนี่ยมันก็จะทุกกับการสูญเสียซึ่งก็มีแต่จะเป็นการเพิ่มทุกให้กับตัวเอง